มีใครไม่เคยมาไหมมาจากไหนกัน อ, <Okay. S 1> อะไรนะอ๋อเกษตรอยู่ใกล้ๆ <Okay. S 1> ดีแล้วล่ะฉ <Okay. S 1> ลาดนะ้ว <Okay. S 1> ขฉลาดก็ต้องรู้จักเรียนธรรมะไว้ก่อนเมื่อเราเรียนธรรมะไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะเราเรียนเพื่อตัวเราเองคนแรกเลยที่ได้ประโยชน์คือตัวเราเองคนถัดไปก็คือคนในครอบครัวเราในบ้านเรา โรกทุกวันนี้วุ่นวายผู้คนไม่ค่อยมีความสุขมีคนมาเลา่าบางบริษัทนะให้เินเดินครึ่งเดียวละบางแห่งให้เจ็ดสิบห้าเอร์เซ็นตบางทีก็ให้ทำงานครึ่งวันให้ซ้อมไหมให้ซ้อมอยู่บ้านในเดือนคุมพาจะให้อยู่บ้านในโลกนียุ่งยุ่งวุ่นวายมาก แต่คนไหนมีธรรมะไว้ก็ฟังอย่างชั่วเมื่อวานไปดูร้านต้นไม้คนขายต้นไม้บอกรุ่งนี้ต้นไม้ขายดีบัอกเอศ ร, รษฐกิจแย่ไม่ขายดีบอกพวกที่ตกงานอะ่ะพยายามมาซื้อต้นไม้จะจะตั้งร้านขายห้ามพกไม่ฟังไม่รู้จักต้นไม้เลยอ ย, อยู่ๆติดขายต้นไม้นะเอาต้นไม้กลางแจ้งไว้ไว้ในร่มต้นไม้ในร่มไว้กลางแจ้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เจ๊ง ลำบากนะชีวิตคนเราลำบากเต็มตะดาแล้วตั้งหลักให้ดีก่อนหมอหรือพวกเข้าที่จำเป็นแล้ก็หัดรู้เนื้อ ร, ร, ร, ร, ร, ร, รู้ตัวไปอะไรเกิดขึ้นนะอย่างน้อยก็ยังเหลือชีวิตเอาไว้ภาวนาบางคนบอกว่าแหม่ล้มละลายแล้วไม่เหลืออะไรเลยอันนั้นคนไม่มีธรรมะนะถ้าคนมีธรรมะเราก็เหลือธรรมะสิ หมดชื่อเสียงหมดเงินหมดอำนาจนะยังมีธรรมะรักษาใจของเราไว้ได้มีความสุขได้เงงั้นพวกเราหลวงพ่อถึงบอกว่าฉลาดนะพวก ม, มอเกษตรอะไรเนี้ยอุตส่าห์มาเรียนธรรมะก่อนเข้าไปเขามีงานต้นไม้ที่เกษตรอะไรเนี้ยขเข้าไปพวกเด็กๆมาไหว้อะไรอยงเงบอเคยมาเรียน ทำให้เราเดินดูต้นไม้ไม่สนุกเลยเดี๋ยวกลาบเดี๋ยวไหว้า็ลำบากเทศไรเทศทุกวันทุกวันเนาะเทศทุกวันเทศเรื่องเดิมเรื่องมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเทศเรื่องเก่าเทศเรื่องอริยสัจพอรู้สึกกายรู้สึกใจได้แล้วก็รู้อริยสัจ รู้อริยสัจก็พ้นทุกข์ในรูอริยสัจกยังทุกข์อยู่อย่างที่เราหัดภาวนากันแทบลม้มแทบตายลมลุกลุกลานเพื่อวันหนึ่งเราจะได้เห็นอริยสัจถ้าใครเห็นอริยสัจก็พ้นทุกข์แล้วใครไม่เห็นก็ยังทุกข์ต่อไปอริยสัจเข้าใจยากที่สุดเลยยากเหลือเกินอย่างเราไปเรียนนะทุกสมูทัยนิโรธมัจฟังแล้วง่ายๆ ทุก็คืออะไรเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์รัดรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์มีความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ถ้ารู้สึกแค่นี้นะยังไม่เข้าใจเรืองว่าทุกข์หรอกบรรดาเกิดแก่เจ็บตายรัดรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งไม่รักอะไรนี้ มันเป็นแค่อาการปราบกฏเท่านั้นเองคำว่าทุกข์ที่แท้จริงก็คือรูปนามกายกใจเข้าใจยากเข้าใจยากมากเลยถ้าเข้าใจรูปนามกายใจก็เรียกเข้าใจทุกข์ทีก็ว่าเข้าใจโลกพระเจ้าบอกโลกก็คือรูปนามรูปนามกายกใจนี้ต้องค่อยๆมีสตินะมีสติแล้วค่อยดูกายค่อยดูใจ วันหนึ่งถึงจะเข้าใจว่าเป็นจริงของทุกข์ของโลกโลกนี้ก็คือทุกข์นั่นเองเข้าใจแจ่มแจ้งไายนี้แต่นี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเมื่อไหรจะปล่อยวางวางของเ้าเองไม่ต้องพยายามจะวางเขาวางของเขาเองเขารู้แล้วว่าทั้งกายนี้แต่นี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรพวกเราไม่เห็นหรอกนะยังไม่ไม่ใช่ภูมิจิตภูมิธรรมที่จะเห็นในวันนี้แต่ว่า พวกเรากำลังเจริญสติอยู่วันหนึ่งข้างหน้าจะเห็นที่หลวงพ้าบอกนี้น่ะบอกเผื่อๆไว้คอ <c oughs> ยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปด้วย <c oughs> ตอนนี้เรายังเห็นผิดอยู่ <c oughs> เราจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็สุข <c oughs> เดี๋ยวก็ทุกข์ย่งรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ทุกข์หรอกถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจะรู้ว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจิต น, นี้ทุกข์ล้วนๆในว่ารรู้แจ่มแจ้งตอนนี้ยังไม่แจ้ง ยังไม่แจ้ปล่อยวางไม่ได้หรอกมันยังมีทางเลือกว่ามันยังมีความสุขอยู่ให้เลือกเรารู้สึกไม่ในกายนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เราไม่ได้เห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะงั้นเราไม่ปล่อยหรอกเราจะดิ้นรนทํายังไงกายจะมีความสุขถ้าไม่งกายจะไม่ทุกข์มันจะดิ้นจิตเหมือนกันเรายังไม่เห็นความจริงว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเราก็จะดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆยังดิ้นอยู่ยังทุกข์อยู่ยิ่งทุกข์หนักขึ้นอีก ทุกข์เพรความปรุงแต่งทุกข์เพราะการดิ้นรนความดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพทุกข์เพมีภพมีภพแล้วมีชาติมีเราผู้อยู่ในภพมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ดิ้นหนีมันหรือดิ้นหาความสุขดิ้นมีเวทนาก็มีความอยากายใจก็ดิ้นรนจะเกิดตัวเราขึ้นมาถ้าภาวนาเป็นจริงแเราจะเห็นความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเรา มีความทุกข์แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์นี่นธรรมะ น, ะะนั้นประณีตลึกซึ้งมากค่อยๆเรียนค่อยๆฟังแล้วก็เจริญสติไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจรู้ไปรู้ใจไปมันได้แจ้งใจก็วางของเขาเองไม่ต้องหาทางทําให้จิตลอยวางไม่ต้องน้อมใจให้หนีรูปหนีนามหนีกายหนีใจไม่ต้องน้อมให้หนีทุกข์ให้ค่อยรู้กายรู้ใจค่อยรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆรู้จนแจ้ง มีแต่ทุกข์ล้วนๆแต่กว่าจะแจ้งกว่าจะยอมนะฝังตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆหนิถ้าภาวนาเอาแค่เบื้องต้นโสดาตะตกคาพอเล่นๆดูเล่นๆไปดูสบายๆจะภาวนาให้แจ้งอริยสัจให้แจ้งทุกข์ต้องสู้ตายจริงๆหนิรูบาจาจารย์บอกนิพพานอยู่ฟ้กตายรอตายไปแล้วถึงเจอ ในตอนต่อสู้เราไม่คิดเลยว่าจะรอดคิดว่ารอบนี้ตายแญ่แก่เลยถ้าไม่ตายก็บ้าความทุกข์มันบีบคั้นรุนแรงครูบาอาจารย์เล่าหลวงปู่มั่นท่านเห็นทุกข์อย่างแสนสหาหัสนะท่านทุกข์ท่านภาวนาแล้วท่านไม่ถอยเห็นทุกข์รู้ทุกข์ไปได้รู้จน ท, ท่านสลบไปสามรอบนะรอบที่สามใจถึงยอมวางในใจซึ่งมีแรงมากใจพระโพธิสัตว์ มีแรงมากพอจะยอมวางก็ต้องเห็นทุกสาารสา ก, กันพวกเราไม่ถึงขัน้นต้องสลบหรอกนะยินสีเราอ่อนกว่าท่านเยอะเราพวกยอดใหญ่ๆต้องสู้ไม่เห็นอะไรดีพิเศษเท่าการภาวนานะเมื่อวันอาทิตย์นะั้นไปเทศ ท, ที่จุไรรัหไหยคนก็ไปแนละ้วผมพ่อไปไหนก็เจอ คุณพูดคุณบนอะไรอย่างนกเ็เจอเจอทุกที่ไปโน้นไปบอกธรรมะเขานะธรรมะดูทีแรกก่อนหลวงข้อจะไปนะดูเครียดเครียดไม่ค่อยมีความสุขนะเคร่งเครียดอึดอัดสะบนูนสะไวรอจะสังเกตไหมบนบ น, นตอนเลิกแล้วจิตไม่เหมือนเดิมหรอกมันเปิดบานแจม่มใสสว่างสวยได้ยินธรรมะเข้า วันนั้นไปบอกธรรมะที่สําคัญนะบอมรรคผลนิพพานมีจริงๆงนะชาวาพุทธเรามาอ้อมอแอมแง่แง่จะพูดเรื่องนิพพานก็ไม่ได้ะเดี๋ยวจะอวดอุตรีพระพุทธเจ้าสอนให้ประกาศ ธ, ธรรมะมรรคผลนิพพานมีจริงๆหนทางปฏิบัติเพื่อบรรู้มรรคผลนิพพานก็มีจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราจะจริงพอกับธรรมะหรือเปล่าท่านี้ เรียนให้รู้เรื่องนะเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นไม่ว่ามีสัมมาสมาธิรู้กายรู้ใจไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเห็นความจริงเมื่อไหร่ใจวางเอง พอหมดความยึดถือกายยึถือใจนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อต า, ต า, ตานีงนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานไม่ได้อยู่ที่สวนสันติธรรมนะนิพพานไม่ได้อยู่ที่วัดนนทนวัดนี้นิพพานไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ course, ครูบาอาจารย์ตา ย, ตายแล้วนิพพานก็ได้ตายไปด้วยนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาวิธีปฏิบัติเพื่อให้เราแจ้งพระนิพพานก็มีพระพุทธเจ้าก็สอนไว้คือวิธีเจริญนิปัสนากรรมฐานต้องทำนิปัสนานะ คำว่าวิปัสสนาก็คือการเห็นอย่างวิเศษเห็นอะไรถึงเรียกว่าเห็นอย่างวิเศษเลยต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่เห็นกายเห็นใจนะบางคนคิดว่ารู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกเป็นแต่สมถะไม่เชื่อถามคุณเป็นสีดูเนี่ยเป็นพยานให้หลวงพ่อได้เพราะว่าติดสมถะมาตั้งนานติดจนปวดหัวตัวร้อนวิปัสสนาจริงๆต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจ ไม่ใช่ไปเห็นใจรักข้างนอกเลยนะอย่างบางคนไปเดินจงกรมแอบพื้นเย็นรู้ว่าพื้นเย็นพื้นอ่อนพื้นแข็งพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งแต่รู้พื้นรู้มันทําไมไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราหรอกตัวเราอยู่ตรงไหนก็รู้ลงไปตรงนั้นสิ่งที่ได้ว่าตัวเราที่รู้สึกเป็นเราคือกายกับใจรู้สึกอยู่รู้ดึงแจ้งแจงระหว่างเองไม่ยากหรอกแต่ต้องอดทนมากนะค่อยๆเรียนค่อยๆดูไป อนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาแล้วจะเกิดปัญญาเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของรูปของงามของกายของใจเมื่อมีปัญญาแล้วจะปล่อยวางความยึดถือได้พระุทธเจ้าถึงสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยศีลแต่ทั้งศีลทั้งสมาธิเป็นเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยให้เกิดปัญญาง่ายถ้าไม่มีศีลไม่มีทางหรอกเนีย่ยมาคุยเรื่อง จะทำวิปัสนาเลยใจไม่ตั้งมั่นอย่ยมาคุยเรื่องวิปัสนาใจของผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยมันไม่ตั้งมั่นเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์อย่ามาโม้เรื่องวิปัสนาจะมาคุยอ ว, วดวิปัสนาญาไม่เชื่อหรอกเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าไม่มีหรอกวิปัสนาญามันเอาแต่เพ่งเพงเอาใจไม่ตั้งมั่นถ้าใจตั้งมั่นนะ มันเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจทํางานตลอดเวลามันก็เกิดสัญญาเห็นเลยตัวที่ทํางานอยู่ไม่ใช่ตัวเราแล้วเราต้องรู้สึกตัวนะมีสติคอรู้กายคอยรู้ใจรู้ได้จิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมัน่นไม่ไหลเข้าไปหลวงพ่อก็แก้พระไ ห, หลายองคนะ์นะทั้นก็ดีขึ้นหลายองค์นะพระติดเพ่งเยอะเพ่งเพ่งเพงเพ่ ง, พ ง, พงอยู่ในป่าภาวนาก็เพ่งเงาเพ่งเงา คิดว่าเพ่งไปมากๆแล้วจะเกิดปัญญาไม่เกิดออกคนละเรื่องกันหลวงพ่อเพ่งอยู่ยี่สิบสองปีไม่เห็นมีปัญญาอะไรเลยมีแต่ของเล่นของจริงไม่มีเล่นน้อนเล่นนี้ของจริงไม่มีให้เล่นไม่มีให้ดูไม่มีอะไรที่จะร่มเย็นในใจเราได้เลยก็ามาหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจนี่ถึงจะได้รู้จกักศาสนาพุดธจริงๆนำผังนั่งเพ่งไว้ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรือสีสีไปเขาก็เพง่ง ถ้าเรารู้สึกตัวนะอย่าให้ใจเราไหลเลยเวลาเพ่งใจมันจะไหลเลยใส่เป็นนิ่งๆอยู่ในอันดันดอันหนึ่งเช่นรู้ลมหายใจใจมันไหลไป อ, อยู่ที่ลมหายใจนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจ น, นั้นเรียกว่าไม่มีความตั้งมั่นไม่มีสามารถสมาธิถ้ามีสามารถสมาธิจริงจะเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูหรือบางคนไปดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนั้นเรียกว่าจิตเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์ไม่เรียกว่าตั้งมั่น เหตุนั้นได้แต่สมถะไม่ได้เรื่องอะไรดอกเกิดนี้มงนิมิตเลยขึ้นมาแปลกๆเท่านั้นถ้าจิตตั้งมั่นจริงแล้วจิตจะเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายกระเพิ่มเข้ากระเพิ่มออกจิตเป็นคนดูแล้วมันก็รู้ทันทีเลยร่างกายที่ท้องที่ยุบอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยดั้นถ้าเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นนะปัญญาจะเกิดมันจะเห็นไตรลักเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราทุกคนก็ขยับมือ หลวงพ่อเคยไปกราบหลวงพ่อเตียนสองครั้งขยับหลวงพ่อเตียนขยับหลวงพ่อเตียนตื่นตอนนั้นท่านสอนคนเยอะศาลาท่านผอมๆเลยยาวๆศาล า, าไม้โยมก็นั่งกันใหญ่อพวกหนึ่งก็แต่ตัวตรงๆนะนี่หลวงพ่อทำหมายถึงใจใจเป็นหนีไปไปไหนก็รูกออกนอกวัดไปนะ พวกนึพนี้พวกเพ่งเครียดพวกนี้พว ก, พว ก, พวกลอยถ้วยลอยถ้วยไหลไปทางไหนก็ไม่รู้นะส่วรู้สึกตัวรู้สึกตัวใจตั้งมั่นอยู่รู้สึกเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราดูไปดูไปทั้งสะละก็มีแต่หลวงพ่อเดียนตื่นอยู่ <c oughs> องเดียวนั่นแหละก็ฝันปั่นเลยเท่งเท่งเอ ไปเดินจงกมรมบางคนเดินยงกรมเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่เท้าไม่รู้หเลยพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งจิตไหลไปอยู่ที่พื้นนั่นเลยเท้าไป อ, อ, อ, อีกทุเรนหนักไป อ, อีกนะไม่รู้ว่าทำไมมีใครไปรู้สึกว่าพื้นเป็นตัวเรา ม, มันก็ไม่มีนะก็รู้รู้กายรู้ใจตัว เ, เนี่เพราะมันเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราดูกายดูใจยนถอนความเห็นผิดว่าเป็นตัวเรา นั้นบางคนเดรนยนโยมเกรมไปรู้พื้นบ้างบางคนไปรู้ที่เทา้าเท้ายกก็รู้นะยกเท้าขึ้นมา ก, กรู้ยกสน่นยกเทา้าต้องยกสามนิ้วดเลยนะยกมากกว่านั้นก็ไม่ได้มากไม่ได้เราเดี๋ยวลม้มถ้ายกนานเรื่องยกไหนห่อยๆต้องสอแตกกันทําไปทําไมหวังว่ามันจะดีหวังว่าจะดีวิปัสสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้น พิจารณานะเราต้องฝึกเกิดสติเกิดเพราสติเกิดแล้วอย่ามาพูดเลยว่าสายไหนสายไหนไม่มีหรอกสายกายสายจิตไม่มีหรอกบางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็ไปรู้เวทนาบางทีสติก็รู้จิตแต่ที่สําคัญคือรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนเห็นไหมจิตหนีไปอยู่ที่ประตูเยอะเลยดูออกไหมจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นมองเห็นประตูได้ไหมได้ใส่ใจไม่ไหลเลยแต่ไม่ไหลไม่ใช่ไม่ไหลเพราะประกองว่างี้เนี่ยฉั้นไม่ไหลละนะ อย่างนี้ก็ของปลอมอีกนะของปลอมใช้ไม่ได้ยามรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเราเป็นแค่คนดูคนดูอยู่สบายๆอย่าอินเข้าไปดูอยู่สบายๆคนในโลกเวลามันดูอะไรก็ยินนะเวลามันฟังอะไรก็ยินเวลาคิดอะไรก็อินหมดเลยอย่างเราดูทีวีรู้สึกม็กซจิตเราไหลไปในจอบางทีไปดูในจอหน่อยเดือนหนีคิดเรื่องอื่นะ หรือที่คิดเรื่องหนังในจออะไรเนี่ยใจมันหนีไปตลอด ไ, ม, ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยเรฉะนั้นรู้เนื้อ ร, รู้ตัวอยู่ก็อย่าเพง่งรู้สบายๆจ้องเคร่งเครียดนะใวสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นเองง่ายๆอันหนึ่งหลงไปลืมกายลืมใจอันนึงเพ่งกายเพ่งใจเอาไว้สองสิ่งนี้เป็นความฝุดตรงสองด้านที่ทําให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจทำความเป็นจริงได้เพั้นใจลอยไปรู้สึกนะรู้ทัน เผลใจไปเพ่งเอาไว้ขอยรู้ทันเบื้องต้นนะหาัตเรียนสภาวะสองอันนี้เป็นหลักๆไว้ถ้าใครรู้จักเผลอไปก็รู้จักเพ่งก็ภาวนาสบายแล้วไอ้ตรงที่ไม่เผลอหรืไม่เพ่งก็คือรู้ น, นั่นเองก็รู้ไม่ต้องทํารู้ให้เกิดขึ้นะจิตลงไปเผลอรู้ว่าเผอจิตไปเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยู่รู้สบายๆแล้วมันรู้เองนะฮัตนะฮัตไปค่อยๆสังเกตใจใจขเราเผลอตลอดเวลาหนีไป หนีไปดูหนีไปฟังหนีไปคิดวิปัสสนาต้องรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะด้วเราต้องหัดรู้สภาวะรู้ลงไปเลยเพราะสภาวะทั้งหลายนียจะสอนไตรลักษณ์เรียนหัดดูสภาวะไปนะตรงที่สภาวะแสดงไตรลักษณ์ไม่ได้มีสองอันตรงที่เผลอละตรงที่เพ่งถ้ารู้สบายๆเนี่ยสภาวะจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูวิปัสสนา เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะของรูปของนามของกายของใจนี่ก่อนจะเห็นไตรลัก์ของรูปของนามของกายขอใจได้ก็ต้องดูเห็นตัวรูปตัวนามต้องรู้ตัวกายตัวใจคือตัวสภาวะซะ ก, ก่อนนะฮัดรู้ตัวสภาะวะพอรู้สภาวะเป็นแล้วรู้ด้วยใจที่ไม่เผลอรู้ด้วยใจที่ไม่เพ่งเจะเห็นไตรลักตัวที่เห็นไตรลัก์ของรูปของนามเรียกว่ามีปัญญา ให้รู้กาย ร, รู้ใจสบายๆอย่าบังคับตัวเองศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเก็บกดไม่ต้องมาเก็บกดศาสนาพุทธพุทธะแปลว่ารู้เห็นไหมศา ส, สนาเราก็บอกอยู่แล้วว่าศาสนาของการรู้ไม่ใช่ศาสนาของการเชื่ออย่างไม่ต้องมีเหตุผลไม่ใช่ศาสนากดข่มบังคับตัวเองไม่ใช่ศาสนาสงบนิ่งๆไม่รู้เหนือรู้ใต้สบายลูกเดียว ศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการรู้รู้อะไรเบื้องต้นรู้กายรู้ใจไปเพื่องกลายจะรู้พันธิพานเมื่อไหร่พนกายคนใจได้จะถึงนิพพานไม่ยากหรอกยากบางคนภาวนาไม่กี่ปีเลย ป, ป, ปุ๊บปั๊บปั๊บเราก็เห็นกันละเช่นบางคนเช่นพระพายะฟังธรรมะปุ๊บเดียวก็จบแล้วเห็นไหมไม่เห็นจะยากเลยถ้านอนนานหน่อยหลายสิบปีเนี่ยต้งงานเยอะไม่ค่อยได้ดู พรโมคลาเจ็ดวันนะพระมหากัสสปะเจ็ดวันภาษาริบุตรสิบห้าวันเห็น ไ, ไหมเขายังทำไม่กี่วันเลยเราต้องใจถึงถึงนะเราสิบห้าี่ได้กระบุญนะ <c oughs> <c oughs> ยินสีีเราไม่เท่าท่านแต่ต้องรู้หลักนะรู้หลักปฏิบัติให้ถูกก่อนเมื่อปฏิบัติถูกแล้วก็ พักเพี่ยนดูไปเรื่อยวันหนึ่งก็ได้ผลถ้าปฏิบัติถิ่นนะยิ่งพักเปลี่ยนยิ่งหลงทางเหมือนเราอยากไปขเขมรเนี่ยเราหันหน้าขึ้นทิศเหนืออยู่ส่วนสันติธรรมนะอยากไปขเขมร ล, ล้วเราเดินขึ้นทิศเหนือเรื่อยๆไปมันไม่ถึงขเขมรไปถึงที่อื่นนั้นต้องรู้ให้ทางรู้ทางที่ถูกก่อนแล้วก็ขยันเดินถจนจะใช้ได้ทางที่ถูกก็คือมีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตไม่ไหลเข้าไปรู้สึกอยู่นั้นแหละ เ็ดวันเจ็ดเดือนเ็ดปีรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขกว่าเมื่อกี้ดว อ, อกไหมใ ม, มีความสุขก็รู้ว่าวมีความสุขนะหนาวไหมอะไรหนาวร่างกายหรือว่าใจดูซิอะไรเป็นหนาวสังเกตุในกายในใจนี้ร่างกายหนาวร่างกายไม่ได้บด ใจไม่เคยหนาวเลยลมพัดไม่ถึงใจใจบน่นนะแปลกนี้ร่างกายมันโดนลมพัดไหมร่างกายมันเย็นร่างกายไม่บ่นนะจิตไม่ได้ถูกลมพัดเนะจิตบน่นไม่ไว่าจิตเนี้ยชอบยุ่งกับเขาทุกเรื่องเน็กสาวทรอุ่งไปทุกเรื่องนะใจมันยุ่งยุ่งยุ่งไม่เคย ร, รู้สึกนะใครรู้ทันใจลองเราไห แต่เราทํางานตลอดเวลาไม่ได้ฝึกห้ามมันให้นิ่งหรอกรู้ไปมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะโลบโกรดหลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้สงสัยก็รู้นะรู้เล่นๆไปดูสภาวะเล่นๆไปนะสภาวะทั้งหมดเดี๋ยวแสดงไตรลักให้ดูอย่าไปเพ่งนะถ้าไปเพ่งอยู่ไม่มีใตรักนะเช่นใจไม่โกรธขึ้นมาแล้วเพ่งใส่ความโกรธ นิ่งๆนิ่งๆแล้วก็เพ่งต่อไปเรื่อยๆใจก็นิ่งอยู่นั้นไม่มีอะไรให้ดูเราปล่อยให้กายให้ใจนี้ทํางานเราตามดูเล่นๆเรื่อยๆไปเดี๋ยววันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไปปัญญาแก่กล้ากว่านั้นอีกไห้เห็นกายที่ทุกข์ล้วนๆใจนี้ทุกข์ล้วนๆก็เห็นอย่างนี้ก็จบนะหมดการศึกษาในศาสนาพุทธแล้ โลภุตเทศเทสานหลวงพ่อนะบอกว่างานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดงานทางโลกไม่สิ้นสุดหรอกนะอย่างไปทํางานได้เงินเดือนมาใช่ไหมเอามากินก็ต้องทํางานอีกเอามากินอีกเมื่อไหร่จะสิ้นสุดหรือคนทําไร่ทํานาถึงปีก็ ท, ำทํำปีแถวนี้ปลูกมันเดี๋ยวก็ปลูกเดีอยวก็ปลูกอยูย่ไม่มีวันสิ้นสุดหรอก แต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดเลยคอยรู้กายกอยรู้ใจแล้วสิ้นสุดได้นักปราดทั้งหลายเลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาใจของเราให้งานทางใจ เ, เสร็จมีความสุขสมัยพุทธกาลมีพระมีกรรษัตริย์อนุรุตเจ้าอนุรุตเจ้าชายอนุรุตมีพี่ชายชื่อมหานำมะตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกระบิรพัฒน์เนี่ยเจ้าเชื้อสายต่างๆ สายพันธต่างๆจะต้องออกบวชคนหนึ่งแต่ละตระกูลน่แต่ละตระกูลเนี่ยสมัยพึ่งการต้องออกบวชคนหนึ่งเจ้าชายมหานามาก็มาถามน้องชายว่าให้น้องชายบวชเอาไหมน้องชายคือพระนุรสก็ถามบอว่าบวชแล้วต้องทําอะไรบอกว่าบวชแล้วต้องไปบิดถบาศต้องอยู่ที่โคนไม้ต้องใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วไม่สบายต้อง แก้ไขโดยการกินน้ำภัสสวะใช่ใช่ในรุ่นบอกไม่เอาขอเป็นกษัตริย์ให้พี่ไปปวดเถอนะพระมหานามาก็บอกว่ า, าน้องจะเป็นกษัตริย์จะอยู่ปกครองบ้านเมืองต่อไปก็ต้องรู้หน้าที่ของกษัตริย์กษัตริย์สมัยน้อนทำเกษตรนะเพราะงั้นพวกเราที่เรียนเกษตรเรียนวิชาของกษัตริย์โบราณกษัตริย์แก่เกษตรคำเดียวกัน แปลว่าเขตหมืายถึงแผ่นดินด้วยแหละมหานามาก็สอนเจ้าชายอนุรุตบอกว่าก็มีหน้าที่ไปทำนาในพวกสัคยะมีหน้าที่ทำนานะเราอย่าไวาดภาพสัคยะยิ่งใหญ่อะไรมากพระเจ้าสุดโทตนะแต่ว่าพระเจ้าข้าวขาวเจ้าข้าวขาวโอ้โก็ชื่ออมิโตตนะมีข้าวเยอะอะไรเงี้ยพวกข้าวข้าวเท่านั้นน่ะ ก็ทำนาสุดโทตนะสุดพะขาวนขาวีข้าวข้าวขาวยังต้องทำนาปีนี้ทำนาปีหน้าก็ทำนาปีต่อไปก็ทำนาทำไปตลอดชีวิตเลยนอนรุตได้ยินอย่างนี้บอกไม่เอาขอบปวดีกว่าให้ทำนาตลอดชีวิตไม่เอาลนะงานของคารวะไม่มีที่สิ้นสุดงานในธรรมะมีที่สิ้นสุดท่านเลือกดีนะ ท่านเอาผัวบทท่านเป็นพระรหัสนงค์หนึ่งส่วนมหานามะาสหลังกระโดดน้ำตายถูกวิทูธพระพตีกวีบรพัตแตกจับมหานามาสมะกระโดดน้ำตายไม่ยอมนั่งกินข้าวร่วมกับวิทุธพระเสียศักดิ์ศรีเพราะวิทูทพระเป็นจันทา์ฐนงานในโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะการปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมีที่สิ้นสุดจุดที่เขาสิ้นสุดในเราจะรู้ได้ตัวเองเลย มีแต่ความสุขล้นๆเลยโดยที่ไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาถ้าสังเกตสภาพของจิตใจจิตใจยังไม่แยกเป็นสองส่วนอย่างบางคนบอกมีความสุขนะจิตไหลไปอยู่ในความสุขเกาะนิ่งๆว่างๆางนี่หลวงพ่อเห็นในอราหันต์เพียมทั้งหลายนะจิมไปอยู่ข้างนอกว่างๆเพลินๆไปวันๆบอกมีความสุขมันไม่ใช่ของจริงหรอกจิตมันมีสองชั้นถ้าของจริงจิตเขาเรียกว่าจิตหนึ่งมีจิตเดียว หลวงพ่อคำเขียนท่านเรียกใจเดียวคล้ายๆรักเดียวใจเดียวนะใจเดียวหลวงปู่บุตดาเขาเรียกว่าจิตเดียวหลวงปู่โดนเรียกจิตหนึ่งท่านพูดท่าๆเรียกจิตเติมแพ้อธิธรรมจะเรียกว่ามหากริยาจิตมีรายชื่อสภาวะจิตชนิดนี้นะไม่ไปไม่มาไม่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติล้วนๆเลยว่ากลืนอยู่ในธรรมะ จิตจะทธรรมะนันะกลืนอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกล้วเราภาวนานะเราจะได้รับรสชาติของความสุขนิพพานมีจริงๆไม่ใช่ต้องรอเราตายถึงจะเจอนิพพานถ้าภาวนาจนหมดความยึดถือจิตได้จะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าจิตใจมันจะกว้างขว้างนะไรขอบไรเขตไรจุดไรดวงไรที่ตั้งจิตไม่มีไปไม่มีมา ไม่มีความอยากไม่มีความปรุงแต่งหรือนี่อะไรปรุงแต่งมันได้เป็นจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งก็มีคุณสมบัติสําคัญคือไปเห็นธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งได้พ้นธาตุพ้นขันพ้นกิเลสพ้นความปรุงแต่งไปเห็นนิพพานได้กาจิตที่เราที่ยแหลพัฒนาจิตให้ฉลาดแหลมคมรู้กายรู้ใจไปจนหมดความยึดถือใายยึดถือใจเราจะได้รับนิพพานนี่นิพพานมีจริงๆนะไม่ได้หลอก เป็นทางปฏิบัติเพื่อบรรูุมรรคผลนิพพานก็มีจริงๆพวกเราก็เดินเข้าเถอะวันหนึ่งเราก็จะถึงด้วยตัวของเราเองอาเชนไปทันข้าวนี่หมดนะครับ